พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำไมจึงมาดับทุกข์กันก็เพราะว่าคนเรามันมีทุกข์ แต่คนหากไม่รู้จักทุกขบางคนรู้จักทุกแต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกขนี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานั้นคนที่ไม่รู้จักทุก ก็เพราะเหตุว่ามันมีเหยื่อล่อจิตใจให้เพลินให้เมาไปในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆสิ่งล่อใจอันนั้นแหละทําให้คนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อต่อความทุกข์ผู้ใดหากห้ามจิตใจของตนได้ไม่หลงไปตามเหยื่อล่อดังกล่าวมานั้น จิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตหยุดนิ่งอยู่แล้วมองดูรอบตัวนี่ก็ยอมเห็นได้เลยเหมือนอย่างเรายืนนิ่งอยู่นี่แล้วเรามองดูอะไรต่ออะไรนี่เห็นชัดไปหมดเลยถ้ากำลังวิ่งอยู่นั่นไม่มองอะไรก็ไม่ชัดหรอกอือเป็อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อจิตใจพุ่งสร้างเลื่อนรอยอยู่นี่ จะไม่รู้แจ้งในความจริงสิ่งต่างๆได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานี่ฝึกจึดที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้ตั้งมั่นลงไปเพื่อจะได้รู้แจ้งในสิ่งที่ หลอกลวงจิตใจให้หลงละเมออยู่ในวัฏสงสารอันนี้มานมนานแล้วก็จะได้รู้ว่ากิเลสนั้นมันเป็นมายาเมื่อเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นมายาเครื่องหลอกลวงจิตใจนี่นให้หลงทำไมยังว่ามันเป็นมายาเป็นมายาก็ก็อย่างเช่นคนเรานี่นะปะ อย่าไปยกเอาในสิ่งที่ไม่มีมาพูดกันเมื่อมีอัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็เมื่อโลกเขาสมมติว่าแม้คนนี้สวยงามอย่างนี้เนะี่ยตัวเองก็หลงหลงว่าสวยงามจริงๆอะไรประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆ เพื่อที่ให้คนเขามองเขาจะได้รักใครเขาจะได้เข้าใกล้ชิดก็จะได้ติดต่อได้สัมพันธ์กันไปนี่แหละเมื่อสัมพันธ์กันไปแล้ววะนี่ให้ความทุกข์ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันนั่นมันก็ติดตามมาอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่แี่ะ ผู้ที่ครองเรือนมาแล้วนั่นคงจะมองเห็นความทุกข์ของการครองเรือนมาด้วยตนเองทีเดียวแต่ว่าคนส่วนมากมันรู้จักแต่ความทุกข์แต่มันไม่รู้จักทางดับทุกข์เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะดับทุกข์เหล่านั้นโดยทางไหนเว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดับจะฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ จึงจะรู้หนทางดับทุกขเหล่านั้นได้แล้ว เ, เถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้วแต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนขเขาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลออย่างนี้จึงจะพอได้ดับทุกทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือน ไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือนอมันก็หลงสำคัญว่าสิ่งนั่นก็ของเราสิ่งนี้ของเราเมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองสินครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อนถ้าครองสินครองธรรมด้วยอย่างนี้เมื่อครองธรรมก็หมายความว่าทำใจให้เป็นกลาง วางใจให้เป็นหนึ่งได้อันนี้แหละเรียกว่าครองธรรมพูดสั้นๆเมือ่อเมื่อจะทําใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอย่างนี้ <c oughs> มองดูการครองเรือนมองดูทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรมันก็จะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นอัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้น่ะมันจึงรู้จักสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้ชัดตามไปจริงอย่างนี้แล้วอะไรจะเสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขต เพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานั้นมันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอะไรเลยบริโภคไปใช้สอยไปก็ดึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปหมนี่มันมันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลยผ่านมาแต่ว่าคนเรามันทงไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริง เมื่ออะไรพี่นา้ถึงความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ดับทุกขทางใจได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ทุกคนเรานะที่มันทุกเพราะใจมันไม่เป็นกลางมันเอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างเอียงไปข้างหลงบ้างเอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วข้อนี้ผู้ใดทาผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทาผู้นั้นก็ไม่รู้ต้องทาต้องลงมือทําพราะพระเเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจําเอาคาสอนของพระองค์ไว้เฉยเมื่อจําได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจขอตนให้เป็นไปตาม คำสั่งสอนนั้นถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคําสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นนการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าว่าปรับปรุงกายวาจาใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเสียไม่หมั่นทบทวน ไม่มันทำใจให้สงบเช่นนี้นะสักหน่อยก็เสริมแล้วความรู้ความเห็นอนั้นเมื่อมันเสริมจากอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เห็นทุกสิ่งที่เป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัวเป็นจนไปแล้วแบบนี้นะเมื่อเมื่อมันพลิกแพงไปแล้วมันก็ต้องเห็นกลงกันข้ามไปเมื่อมันเห็นกลงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถือแบบนี้นะ อืเมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างเช่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว่าตีเตียนดูหมินดูแค้นก็เอาโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นอันเรื่องความยึดความถือเว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นอืถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทําใจให้สงบ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกเป็นโศกอะไรดอกกีดตรงนี้นะมันเป็นทุกเพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ มันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันท น, นยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่ อ, อ่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้ เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่หวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเองก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอะ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์ด้วยร้อนนี่แหละดังนั้นอะ่ะ <c oughs> เมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏสม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นอันนัะต้องกรวดกายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสบายญญะกำหนด รู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่า มันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันมันเห็นถูกทางเท่านั้นแหละที น, นี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถอยหลังไม่ให้เสื่อมอเมื่อความรู้ความเห็นนี้มันยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ มันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมันมีกำลังกล้าแล้วมันก็สามารถผาแผดเผากิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆอันมีอยู่ในใจนี้ให้เหือดแห้งไปไดออ้นี่แหละท่านเรียกว่าตปะรรตปาทำตะรรปาทำแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เราร้อน อตะปะทำอันนี้ต้องบำเพ็ญให้มันมากมากต้องทําบ่อยๆทําใจนี้ให้เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปให้ได้ละนั่นแหละฉันยึงเรียกว่าตะปะทำไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็งอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเข้มแข็ง จิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั้นผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้ก็รู้รู้ว่าจิตใจตนเข้มแข็งรู้อย่างไรรู้ได้อย่างไรอ่ะรู้ได้ในเวลาที่ความชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามา ความไม่ดีต่างๆความวิบัติต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้วไม่หวนไหวอรู้เท่าทันได้จิตใจไม่หวนไหวไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะเดียวว่าใจไม่หวนไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่า อโสกังเป็นผู้ไม่มีความโศกอืะน เ, นเมื่อไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรแหลยพระยังเขมังอเป็นผู้มีความสวรรัสดีเกษมสารจากกิเลสดังทุรีมหมายความว่าจิตใจนั้นปราศจากกิเลสดังทุรีที่ปลิวมา ถูกต้องตามร่างกายทั้งขาโมนี่บรรดาธุรีผุ่นละ อ, องต่างๆมนี่กระทบมานี่มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียดอันนี้ชั้นใจกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั้นให้วันไวไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลส รบ ก, กวนใจดังทุรีอัจุดวุ่นหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดีว่าก็เพื่อชํำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงกิจนี้ให้ได้ไม่ได้หมดก็ให้ได้มากพอสมควรืเอเดี๋ยวว่าพยายามเอาละกิเลสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละอย่าไปเข้าใจว่าอืเราเป็นครือขัดแล้วจะมาให้เพียรละกิเลสมาประทมเหล่านี้ออกจากกิเใจเหมือนกับ น, นักบวชจะไปทําได้อย่างไรเพราะว่ามันยังนอนแช่อยู่ในกิเลสเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ําบางคนก็อาจจะ คิดไปอย่างนั้นหรือพูดไปอย่างนั้นก็ได้จิงอยู่ผู้ครองเรือนเรียกว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆแหละเรียกว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ําก็จิงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทําให้เป็นปลาตัวฉลาดบัางอย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดเหลียวย่อนลงไปในน้ํา ต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเหยื่ออันใดมันจะต้องพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนั้นมากินแต่ตัวใดที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความมีอุไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าท่านไมน่พิจารณาหน้าหลังก็งับ เอาไปกินเลยเนี่ยเบออ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมากทำอะไรมักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอย เมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วอ๋ อ, อทำอะไรก็บวูวามไปแหละพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังหน้าระวังหลังไม่นึ ก, กว่าคำพูดของตนมันจะไปเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดอย่างไรไม่คออํานึงดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าลูกเ อ, อ๋ยอย่าไปกินสมบาก สมอยากยาปากสมเครียดไม่ทำตามคำโบราณที่ท่านสั่งสอนก็ย่อมเกิดโอทภัยขึ้นมาภัยเกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนี่เราต้องระมัดระวังนะธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว มันย่อมระวังความประพฤติทางกายทางวาจาให้สมมเสมอมันย่อมรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดมันรู้รู้แล้วมันไม่ทาไม่พูดรู้ว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปตามที่รู้ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นั้นนี่ธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ค่อยผิดพลาดทำอะไรพูดอะไรนะ่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะการทำการพูดอันผิดพลาดนั้นเลยเ<อ>ใจก็เป็นปกติอยู่ได้เมื่อใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นแล้วบันนี้<อ>นี่แหละต้องเป็นการทดสอบด้วยตนเอง เรื่องที่ว่าตนเองนั้นมีใจตั้งมั่นต่อสินธรรมเพียงใดหรือไม่ตั้งมั่นเพียงใดเช่นนี้นี่เป็นเป็นการทดสอบไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่หวังดีต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราไม่ควรวิตกอย่างนั้น ถาหาว่าถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทบกระทั่งมาเออดีแล้วจะได้ทดลองกำลังปัญญากำลังใจว่าหนักแน่นเพียงไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วอย่างนี้ไอความชั่วที่ตัวคิดขึ้นมาเองก็สอนให้ละแล้วความชั่วผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ตนตนก็ละไม่ถือมัน่นเอาไว้นี่เนะี่ยเขา่าสอนให้ละความชั่ว ไม่ใช่ละแต่ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นอย่างเดียวนะความชั่วผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ก็ไม่เอาไม่รับเอาไว้ในใจทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอนองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วแต่บางคนก็จะคิดว่าอยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยนี้แต่รบ ก, กวนกัน มีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมูนั้นเห็นจะสบายดีอา้าวคนไปอยู่กับหมู่นั่นแล้ววะนี้ถอดมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเอ๊ะหมู่นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ไหวหรอกเราในที่สุดคนพนั้นไม่มีที่อยู่เลยในโลกอันนี้นี่แหละคนใจไม่ตั้งมั่นขาดปัญญาอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนต้องสังเกตดู อันนั้นไม่ใช่นักต่อสู้อันนั้นนะเป็นนักขี้ขลาดยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและความชั่วต่างๆนั่นไม่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พึงเข้าใจกันทางพน้นทุกข์ทุกนั่นคือเรามาฝึ ก, กจิตใจนยให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อคุณสคุณงามความดี และเมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่วันไว้ไปตามต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไว้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยข้อเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือไว้ทำไมอะ ถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เกือดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พึ่งพากันเข้าใจจะไปทำใจให้อ่อนแอ เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นใครว่าดีก็ยินดีไปตามใครว่าร้ายก็ยินร้ายไปตามเสียใจไปตามอืมทําอะไรผิดหวังลงก็เสียใจเศร้าโศกอย่างนี้ไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่เมืองโกสัมพี บังเอิญมเหตสีของพระเจ้าอุเทนนั่นรังเกียจพระองค์อยู่แต่ก่อนแล้วพรพระองค์ทรงแสดงธรรมตำนิรูปกายอันนี้ว่าไม่สวยไม่งามแต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมากจึงได้กโกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัคมเหสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้ว ได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนทนะ์จนว่าพระอานนท์รําคาญ น, นะกราบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นวพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้าวาเราหนึ่งหนีไปที่อื่นละ่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงอ่ะเขาก็ด่าอีกอ่นี่ แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอานุทูล น, นะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราดบัณฑิตธรรมดานักปราดบัณฑิตนี่จะต้องไม่วันไหวต่อคำนินทาว่า้ายต่างๆให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชา ที่อดทนต่อลูกสอนที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะทานไม่วันไหวออไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่เน่ะจะระ ง, งับไปภายในวันที่เจ็ดานนท์จงอดทนไปก่อนออต่อจากนั้นมาเขาก็ด่าอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละในในที่สุด ก็ไม่มีคนด่าอีกแล้วเงียบไปหมดเลยเพราะว่าคนเราได้ไปด่าพระองค์นี่พระองค์ก็สั่งสอนเอาพอพระองค์สั่งสอนเขารู้สึกตัวแล้วก็งดดา่าไปอย่างนั้นแหละแต่ทีแรกก็รับจ้างเพื่อนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอยากได้เงินก็ถึงไปดา่าวันนี้พอพระศาสาดาทรงสั่งว่า การกล่าววาจาหยาบใครอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษรู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ด่าไม่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญมา และราษาบวกทั้งหลายพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธการนู่นท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านอ น, นันมาแสดงในที่นี่ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณหยิบยกเอามาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้วนี่นะไม่ไม่ใช่เป็นธรรม คุณธรรมต่ำๆนะคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่วันไหวต่อคำสรรเสริญ น, นินทาว่าร้ายต่งตางๆหมดนี้นะท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมากจึงได้มีใจตั้งมั่นไม่วันไหวต่อโรคกะระทำดังกล่ามานั้นเรียกว่าเป็นผู้มองเห็นสภาวะสังขารทั้งหลาย คือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาโลโกเป็นแม่น้ำลำทานอะไรทอไรหมดนี้นะเออมันก็กเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครมันเกิดมาแล้วมันก็แปร่วนแจกดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใค ร, ไ ม, ใใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเออเป็นได้เพียงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมาอาศัยเออ สภาวธาตุสภาวธรรมเหล่านี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปอันผู้มีปัญญาท่านก็มาอาศัยโลกธาตุอันนี้เพื่อสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าไปทุกชาติทุกรบไปทีนี้เมื่อท่านสร้างบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วท่านก็สา ม, มารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปกระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมา ยุ่งยากลาบากอยู่กับโลกอันนี้ต่อไปอีกผู้ใดมัวเมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพุทธเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่แล้วก็คล้องอยู่ในโลกนี่สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างปนเปนกันไปในสงสารบางทีก็สเสวยทุกข์มากกว่าความสุข บางทีก็เสวยความสุขมากกว่าความทุกไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุกขไปไม่ได้เลยจะได้เสวยทุกททนทรมารไปในสงสารดังกล่าวมานีดังนั้นแหละผู้ใดได้ฟังคํำสอนพระพุทธเจ้าได้รู้แนวทางปฏิบัติ ดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วลงมือปฏิบัติตามได้เชื่อว่าเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐควรพากันรักษาลาบอันนี้ไว้ให้มั่นคงต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้